Thank <laughs> you.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 จิตวิญญาณไม่ติดคุกของความพิการเห็นไหมจิเรียกว่าจิตสดใสแม้กายพิการไม่ได้เสแสรงไม่ได้สร้างภาพแต่สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วในจิตใจของมอาศัยประสบการณ์ตรงนี้บางครั้งเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตบางอย่างบางทีไอความผิดพลาดปัญหาหรือความทุกเนี่ยมันก็ช่วยบีบคั้นเราเนี่ยให้สแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้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 คือไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกมีพร้อมทุกอย่างก็ว่าได้นะในสิ่งที่เราอยากจะมีเรียนก็เรียนจบได้ทํางานในตำแหน่งชั้นสูงแต่ว่าคอยพวกเราจําไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนหรอกมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอจนกทังต้องประสบเคราะห์กรรมกระโดดลงไปในน้ําเนี่ยเห็นไ่มนี่คือจุดหักของกระดูกชีวิตไรเห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 ย, ยอมรับแล้วก็แก้ปัญหาผู้เราเองเนี่คิดว่าไอเราสภาพร่างกายอย่างเงี้ยจะทํายังไงให้ชีวิตอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยเริ่มคิดหาทางแก้ปัญหานึกึ้นได้ว่าอ๋อเราเกิดมาอยู่ในเมืองไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและโชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฝักไปในศาสนาในเรื่องธรรมะก็นำเอาธรรมะนี่มาปฏิบัติเลยจัดเอาหลักธรรมเนี่ย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 เรารู้แล้วว่าสิ่งนี้คือทําให้เราผิดมันจะสามารถบีบคั้นให้เราเนี่ยรู้จักแก้ปัญหาเรารู้จักแก้ปัญหาด้วยความผิดพลาดเพราะปัญหานี่แหละทําให้เราได้รู้จักเรียนรู้เข้าใจตัวเองผมเชื่อว่าเราอยู่ที่นี่หลายปีเนี่ยเราควรจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเราจะรู้ว่าเหตุที่ทําให้เราต้องมาที่นี่เนี่ยเพราะอะไรเ ร, เริ่มเข้าใจแล้วความผิดตรงนั้นเพราะอะไรเราจรึงมาอยู่ที่นี่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 ในควมสึก ข, ของผมนะอาชีพพวกเราไม่เคยได้ยินมาไอ้อย่างสุลาเนี่ยผมเรียกมันว่าน้ําเปลี่ยนทิสายหรือน้ําปทุสลายสติน้ําทําลายสติผิดศีลสุลาเพียงข้อเดียวนะข้อที่หาเนี่ยสามารถผิดศีลได้อีกสี่ข้อเลยใช่มแต่ข้อที่ร้ายแรงที่สุดเลยเมื่อดื่มสุลาแล้วขาดสติมึนเมาสามารถฆ่าใครก็ได้แม้แต่คนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับเราฆ่าลูกก็ได้ฆ่าเมียก็ได้ ฆ่าตัวเองก็ได้ผิดศีลแค่สุราข้อเดียวข้อมึนเมาเนี่แหละสามารถที่จะโกหกได้หรือลักขโมยใครก็ได้ประพฤติผิดลูกเมียเขาก็ได้แม้แต่ลูกตัวเองสามารถข่มคืนได้เพราะผิดศีลข้อสุรามึนเมาคนดื่นสุราเนี่มักจะไม่พูดจริงกูไม่เมาหามกูไปเตี๋ยเขาหน่อยตำรวจเหรอไม่สำคัญนะตำรวจไม่เป็นไร ตำรวจเราก็กล้าพูดอันตรายนะพูดสอนเสียงตำรวจนะไม่เกี่ยวเรื่องเล็กเสร็จเลยเห็นไปนอนอยู่ในมุ้งสายเบือทุกรายสำหรับสติอารมณ์นะเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะข้อเดียวท่านข้ออื่นก็ผิดหมดเลยแต่ถ้าเราสามารถควบคุมอยู่ด้ข้อเดียวที่ผมบอกเนี่ยมีข้อมีสติอย่างเดียวท่านเนี่ยมีสติมีสัมผัจัญญะเราก็จะไม่ฆ่าใครไม่ลักขโมยใครไม่ทําผิดรูปเมียใคร ไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรารู้จักละอายตัวคนที่ดื่มสุรามากๆเนี่ยสุราแปลว่ากล้าแต่พราะว่าเขาไม่กล้าจะกล้าได้ยังไงขวดขวดเดียวเนี่ยขวางหน้าเดินข้ามไม่ได้นั่งล้อมบงสูบจะได้เป็นอย่างนี้มันเดียวกล้าหรือไม่กล้าแล้วนั่งล้อมบงเฮฮากราบคอตกเนี่ยคอแข็งแต่คอให้นิจใจว่าไม่กล้าคนกล้าต้องก้าวข้าม แมวก็ข้าวข้าม น, นะแมวไม่หยุดนะแมวก้าวข้ามไปเลยเราเองก็ต้องข้าวข้ามให้ได้กวดนิดเดียวแค่นั้นเองผมเคยมีประสบการณ์มีผู้ตรงขังพ้นโทษไปแล้วพ้นโทษไปสองปีกลับมาเยี่ยมชมลมเพื่อนคุณธรรมมาเยี่ยมเย็ยนก็เลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาพ้นโทษไปแล้วสองปีเขามาคุยว่าเขาทางาน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 พ่อแม่ก็จะภูมิใจใส่วนนี้ถ้าคุณยังบวชหนึ่งพรรษาเนี่กลับมาสู่บุรี่ดื่มสุราแล้วก็เพราะว่าคุณนี่ยังไม่ดีพอก็ถามว่าก่อนคุณอยู่ในเรือนจําเนี่ยก่อนจะเป็นผู้ต้องขังเนี่ยคุณสู่บุรีดื่มสุราไหมทําแล้วอยู่ในเรือนจํำนะ่ะไม่ได้สู่บุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มสุราและตอนนี้อ่ะคุณดื่มสุราคุณสู่บุรีตอนเนี้ยคุณไม่ดีไปกว่า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 เขาเลิกแล้วโอ้ผมน็ตไม่ได้ไป็เสียเขานะแต่รู้สึกภูมิใจในตัวเขารู้สึกภูมิใจในคำพูดของเขาเพราะฉะนั้นไอ้แง่คิดแบบเนี้ยเรานํำไปคิดแล้วลองทําตามดูความคิดที่สําคัญนะที่พระคุณเจ้าเทพตอนต้นอะไรกันว่าถ้าคิดดีผลมันก็ดีคิดไม่ดีผลก็ไม่ดีไม่ดีนี่ไม่ใช่เพราะการกระทำเพราะเริ่มจากการคิดแล้วใช่ไหมอย่างเมื่อกี้บอกนะแค่คิดก็หนาวใช่ไหมยังไม่ทําทําเลย ถ้าทำลงไปนี่เน็บเลยนะมันมีหนาวแล้วก็เน็บแล้วเรื่องความคิดที่สําคัญมากความคิดเราห้ามไม่ได้แต่เรามีสิทธิที่จะไม่เชื่อมันได้ใช่ไหมมันห้ามไม่ได้แต่เราไม่เชื่อมันได้อันนี้แหละคือกลืนของเราละ่ะคือความไม่เชื่อความคิดของตัวเองเนี่ยถ้าใครทําได้นี่อยู่เหนือโลกเหนือชีวิตเลยแต่ทุกวันเนี้ยเราเชื่อความคิดเพราะเราต้องมานั่งมองตากนันแบบนี้พรเราเชื่อความคิดใช่ไหม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 อย่าไปโทษสุลาสุล า, าเขาไม่ดีไม่ช่วยแล้วเพราะความคิดที่เราเชื่อมันเชื่อความคิดแต่ถ้ามันเกิดความอยากคิดอยากปับ๊บตัดวัตฏะสงสารของการเบียนไหวาตายดื่มเลยอันนี้สำคัญนะตัดวงกลมแห่งวัฏฏะสงสารในจิตใจเราทัานทีเลยความอยากความดื่มความติดนี่มันเป็นคุกที่มันขังจิตใจเราใช่ไหมเนี่ยใจะใหแหกคุกตรงนี้นะมันจะหแหกคุกที่ไหนนะ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 แล้วก็ไม่เต็งด้วยสนุกกับการทํางานการอาบน้ําการทานข้าวอย่าปล่อยให้างกายมันเคลื่อนไหวฟรีๆให้มีสติรู้กับการเคลื่อนไหวในแรงงานของเรามันจะมีความสุขตอนนี้เราไม่รู้อยู่ที่ไหนที่ซ้ำไปสุขอยู่กับการใช้ชีวิตนี้นำเอาไปใช้เวลามันคิดขึ้นมาก็อ๋อนี่มันคิดเนี่ยใช่ไหมกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการใช้ชีวิตอย่าคิดฟรีๆอย่าทุกข์ฟรีๆ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 แล้วก็พัฒนาจิตใจเราได้โดยที่ไม่มีขีดจำกัดเลยอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะไม่ใช่เรื่องร่างกายอย่างน้อยเราก็ต้องคิดดูว่าเราสามารถเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้ไหมเปลี่ยนใหม่ได้เพียงแต่เรารู้จักแยกแยะว่าอะไรนี่ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้สุขอันนี้ทุกข์ให้รู้ว่าสองอย่างนี้มันต่างกันมากโคราคั่วแล้วก็เลือกทาในสิ่งที่ดี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 เราไม่ให้เป็นแบบนั้นสิ่งที่เคยทาผิดไปแล้วเป็นครูยาไปทําแล้วก็อย่าไปหมกมุ่นในความคิดเก่าๆอย่าหมกมุ่นในความคิดเก่าๆมันเก่าไปแล้วแล้วกัแล้วกันไปมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราสามารถปรับปรุปรงชจิตใหม่ได้คิดเป็นสิ่งที่ดีว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้ผิดเป็นครูสําคัญก็คือเราให้เราต้องทําความดีอย่างน้อยมีศีลห้าแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบวินัยของเรือนจัง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 เขาเป็นเครื่องกังวลเพราะนั้นขอให้เราตัดญาติชั่วคราวไม่ได้ลืมทีนะี้ชั่วคราวก่อนตอนนี้เราขอมาฝึกจิตฝึกใจตัดญาติชั่วคราวเรามามีญาติใหม่คือญาติอันนี้สำคัญมากญาติภายในเนี่เป็นของจริงนะไอ้ญาติข้างนอกเนี่ยมันกินเหล้า ก, กับเรามันก็ไม่มาหาเราแล้วใช่ไม้มมั น, เ ป, นเป็นแค่เพื่อนกินเราครบกันอกตองที่กินเหล้าพเพราะเร่จากวงล้าแล้ว ต่างฝ่ายต่างแยกกันไปแล้วต้องตัดหางกันชั่วข้าวก่อนตอนนี้ขอมาชุบชีวิตใหม่มาสร้างญาติภายในเห็นไหมนี่แหละคนใกล้ตัวนี่ญาติที่แท้จริงนะเห็นหน้าเห็นตาทุกวันเนี่ยเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่กันอบอ้อมอารีต่อกันให้อภัยกันเมตตาซึ่ ง, งกันและกันอย่าเห็นแก่ตัวรักกันเข้าไว้สามกีดกันเข้าไว้อันนี้คือญาติแท้จริงใครดูเถอะคุณออกจะนี่ไปแล้วเนี่ย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 มันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในเรือนจาเลยเข้าใจอย่างนั้นหมเพราะเองก็เช่นเดียวกันนะผมอยู่ในสภาพที่ไปการเนี่ยผมอยู่แบบไม่งอหญ้าข้างนอกนะตัดหญ้าข้างนอกสร้างหญ้าข้างในคือคนใกล้ตัวเนี่ยนี่คือหญตาที่แท้จริงผู้ดูแลผมผู้ช่วยผมคนนี้คนที่รักเราแต่คนที่เราลักกลับไม่ใช่คนนี้อย่างพวกเราเช่นเดียวกัน